เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกผ่านกันมาหลายๆอย่างเราเคยไม่รู้งอมึกบ้างเช่นบางคนเคยมีเนี่ยว่างๆคือมาก็ผ่อนคลายความตึงเครียดใน แล้วก็อาจจะมีความดีอื่นๆที่ที่ที่เราพยายามที่ไม่ให้ลืมแม้แต่โรงริม มันมองไม่เห็นแต่อะไรอย่างหนึ่งที่มันเลื่อนเข้ามาในความรู้สึกแล้วมันให้ไอ้ตรงเนี้ยตัวเอง คืนใจประภักใจหมดทีนี้อ่าอะไรที่เป็นผลเนื่องออกมาจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็ปล่อยลักษณ์ๆเหตุๆอนิสงส์ๆเนี่ยไม่ไม่ เชื่ออะไรครับว่าศีล 8 เราได้ยินมาแต่ว่าเรา เราไม่นึกเข้าใจบางทีนึกแต่เรื่องตรงตรงนั้นถามกับตรัสปัดได้ครับแต่ว่า ไอ้ไอ้ไอ้รูปปานปริญญาหลักการข้างนอกที่ออกมาเป็นตัวๆนะฮะนี่ก็หลักเพราะฉะนั้นท่านก็เลย ออกไปไม่รู้จบเพราะฉะนั้นว่าถ้ามีศีลมีศีลมีศีลดีก็นะแต่จะถามว่าถ้ามี ไม่มีประโยชน์ในทางการปฏิบัติแล้วแต่ว่ามีประโยชน์ในทางในอีกกี่แบบอย่างมีประโยชน์ในทางคือเอ่ออย่างยกตัวอย่างว่าเวลาถึงวัน <c oughs> <c oughs> ยังลงเลยแล้วก็ปรากฏว่าในอังคุตนิกายที่กล่าวว่าเนี่ยฌานอนันต์ได้อลัทธนาในปฐม ดูปัจฉิมยะอรัตนะอีกแม้ดูมาราตอนเต็มๆนะอารัตนะให้ว่าที่ประชุมไม่บริสุทธิ์ที่ประชุมฮะถ้าก็กํา กำหนดจิตเอาพระสงฆ์ในที่ประชุมนั้นในโรงโบสถ์นั้นเอาไว้ทั้งหมดแต่ มีศีลไม่บริสุทธิ์ท่านก็เข้าไปหาพระองค์ ราอานนท์ต้องฉุดแขนต้องลากแขนครับนี่เจอเล่นใครไม่เล่นเล่นนะนักพระพุทธเจ้าจึงทรงกระทําปฏิโมกแล้วก็ได้ทรงอนุญาตแล้วก็ไปนี้ท่านไม่ต้องนําๆ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าพระอรหันต์ยังสมาทานตบตัวปฏิโมกข์ดูธรรมดานั่นเองๆแล้วสักข้อเดียวอ่าปุ๊นๆเนี่ย ละจิตเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะเปิดครั้งไปได้แต่ถ้ารู้แล้วเป็นอันว่าท่านสามารถทําได้แม้ๆโดยไม่ยากโดยไม่ลําบากแล้วก็ทําได้ด้วยความสุขจริงๆ อายุอนุโมทนาก่อนว่าพระอรหันต์นั้นยังคือพระพุทธเจ้าเคยถูกถามอะไรอ่ะเอ่อว่า การอุทิศกุศลนั้นเป็นไปได้หรือไม่ปรากฏว่าได้แล้วก็ผู้ที่อนุโมทนาศาสนากุศลแล้วจะคุ้มได้รับอ่าอิดที่ผลอันน่าปรารถนาทุกคนหรือว่าที่พวกที่ โดยเหตุผลในเรื่องของบางคนกรรม มันไม่ได้ไม่ได้บุญอย่างเราเนี่ยเราเอาอนุโมทนา นี่ได้เณวว่าการอนุโมทนาในท่านอนุโมทนาแล้วก็สะดวกได้อย่างง่ายได้อย่างไม่ลำบาก ที่กับเราๆเรายังมีกิเลสไอ้กิเลสที่มันขวางเราทําให้เราอนุโมทนาก็ถูกไม่ได้เนี่ยแล้วก็เอ่อเรื่องของลงอ่ะเพราะเราก็อนุโมทนาไม่ เราศรัทธาวัดนี้ไม่ศรัทธาวัดโน้นคนนี้ไปบวชวัดโน้นที่เราไม่ได้ตามแล้วมาขอให้เลือกอคติทางกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ว่าเราจะอนุโมทนาความดีท่านสูงของบุคคล แล้วเราก็ไม่เห็นชัดเจนนะก็อนุโมทนาอย่างรู้สึกรุนแรงแต่ว่า แล้วคนที่อนุโมทนาได้อย่างลึกซึ้งอย่างยิ่ง ก็ได้เสด็จเข้าพระประทับยืนที่ประตูทางเข้ายืนอยู่ตรงกระทั่งถึงว่าพระปู่ แลลักณาให้พระผู้เดียวภาคตรงแสดงธรรมเองพระผู้จะภาคๆจริงๆทําได้ เพราะฉะนั้นพุทธอุทานเนี่ยจึงมี 2 ประเภทน่ะ 1 ปรารภความดีของตนเองแล้วก็อุทานออกมาตามดี แล้วอุทานเอ๊ะสงสัยว่าอุทานทําไมไม่ใช่อนุโมทนาแต่กรุณานะกรุณาก็กรุณามุทิตาคนดีก็กรุณาอุทานด้วยกรุณาด้วยความตระหนักใจ <c oughs> ในกิจกรรมภาวนาดีของท่านอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนุโมทนาคน <ม. S 1> ถ้าสมมุติว่าเราอนุโมทนาบุญของผู้ปฏิชนได้บุญสรรใดอนุโมทนาอ่า และอะหังไตรบาทตนจริยะมาอนุมาอุทิศกุศลให้กับตัถโดยตนเป็นกิริยา 3 เลยเรียกว่าเหลือตกะนะไม่ได้หรือไม่กลายเป็นคงที่บริโภคไม่ได้อุปโภคไม่ได้ อย่างนั้นหรือไม่ตอบว่าไม่นะอ่ะผมพูดตรงนี้ซะก่อนแล้วสัตว์เนี่ยมันกับโรงโรงทําครับเรานี่ทํา แล้วก็พลังใจในการอุทิศดีดีการในการที่จะอุทิศให้กับเปรตเราก็ไม่ค่อยรู้มันแล้วแต่ถ้าได้เรียน ไอ้ตัวเป็นเปล่แล้วก็มาดักรอที่ปลายทางจงกรมพอลูกจงกรมมาถึงก็นะฮะโอ้มันไปโคละดางเลย รับบาปอดีตโยมทําโดยปาฏิเบ็ดเล็กๆโดยกล่าวทัพพีเดียวด้วยน้ําขันเดียวลงทุนน้อยแต่ได้ผลเยอะพอผลยังกระโกกบอกอะไรก็อุทิศให้ปรากฏว่าแม่ผล คำใหม่มีพระอรหันต์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เต็มที่เป็นกิริยาเป็นบุญกิริยาที่บริสุทธิ์ 2 เมื่อท่านจะอุทิศเนี่ยเราดู แล้วก็ปัญญาของท่านก็เลิศเลอนะงั้นท่านเนี่ยอย่าลืมว่า 1 แล การลุล่วงวิธีการถ้าก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ <ม. S 1> ประหยัดไอ้ที่เราพูดว่าอุทิศส่วนกุศลไม่ที่ส่วนกุศลเนี่ยเราพูดด้วยโลกาวโวหารได้สมมุติโวหารความจริงนั้นไม่ใช่ๆโดยสภาวะแต่ที่ เป็นการชักชวนให้เขาทํากุศลในกาลามีบุญเดียวนะแต่ฟังดีนะอุทิศกุศล โดยผู้บอกชักชวนให้ทําเนี่ยเป็นผู้ที่ทําในฐานะของบุญกิริยาอันหนึ่ง แต่คนหนึ่งเค้าทําแล้วก็ให้สิทธิในการเกิดบุญในการร่วมบุญนั้นเรา เป็นผู้ทําให้แล้วบอกนี่คุณคุณคุณมาอนุโมทนามาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ เขาเป็นฝ่ายมามือเปล่ามาถึงก็ชุบเพราะอนุโมทนาแล้วเรียกว่าอนุโมทนาก็โดยฝากผู้เป็นผู้ไม่ได้ลงทุนเองในกระมีอย่างนี้เนี่ยฐานะ เรเราลองกลอกเฮยนะครับที่เราอาจจะเอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทอง แล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทําแล้วเพื่อให้แม่นะยกให้แม่นะให้พ่อนะไอ้ก็ดีนะตัวคนที่ไม่ได้ลงคน 100 คนมันไม่มานั่งแบ่งว่าข้าวละปีนึงแบ่งให้ มากนักมาอัปเดตแบงค์กลมเม็ดนะหมวงขาบุญเราก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไอ้เรื่องเรื่องบุญมันมันก็ดู 100 คนมันก็เพียงอย่างนั้นแหละก็ได้กว่าผมคนเดียวมาพูดมาจํากัดจะมานั่งฟังเกินเกิน 20 ฟังผมมีแค่ 324 ไม่เผาะๆอะไรอย่างนี้นะโดยผมต้องเหนื่อยลิมมากมันก็ไม่ต้องได้ครับทุกอย่างก็ต่าง อย่างโลกๆเพื่อให้เข้าใจกันแล้วมันก็คืออย แล้วก็อย่าว่าเป็นบุญล่ะฮะไม่ใช่แต่เรื่องนี้เป็นบาปก็ได้ใช่ไม่ใช่พอเกิดมีคนนึงมาแล้วแม่งโมทนาวังไงไม่เห็นด้วยกัดการตําหนิติเตียนนี่บุญแท้ๆน่ะทําให้เป็นบาปก็ไม่ แต่ตัวเองมาอนุโมทนาแล้วเกิดบาปเองในมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แต่พวกเปรตก็รู้กันครับก็รู้ว่าอย่างนี้ไปเกิดบาปแล้วไม่ดีไปไม่อนุโมทนาแล้วตัวมันก็เลยไม่ บางข้อเนี่ยอย่างข้อฐานการไสเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราก็อาจ แต่ก็บอกว่าทานตัวนี้ไม่ได้หมายถึงทําอทานนะอันนี้หมายถึงวัตถุทานเราเป็นผู้ทําเป็นส่วนเราเนี่ยเป็นผู้ทํา มีปัญหาว่าอาบเงินทรัพย์อาหารท่านไม่ต่ําดอกร้ออะไรท่านไม่ทําหรือไม่ทําเพราะอะไรท่านขี้เหมียวหรือแอนเนเมียความจริงน่ะท่านก็ทํา อันในชุดหนึ่งว่าเป็นศาลานิยธรรมแล้วก็ทําในหมู่ปราณนะแล้วแล้วก็ไอ้ของบางอย่างนี่จะรับเป็นส่วนตัวไม่จะต้องก็ ก็ในวินัยก็ห้ามห้ามรับรับทรัพย์รับตา 4 แต่ว่าถ้าๆกรณีด้วยกันแต่ว่า เลี้ยงให้ยอมมาให้พระมีอะไรเล่าๆมาแจกโยมดีมั้ยบอกไปเลยท่านเตรียมละตนให้ท่านมีเงินธนาคารเป็นร้อยล้านมีเงินมาแจกโยมแล้วก็ไม่ต้องไม่ให้มีในลักษณะการก็ไม่มีอะไรจะมาให้แกเรา<ะ><ะ> ท่านก็ให้ในสิ่งที่ที่ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ท่านให้เราในเงี้ยนี่คือแต่จริงๆในหลักการมันไม่ใช่อ่ะจริงๆและ แต่ว่าใครจะมาพูดเอาหลักการนี้มาพูดเพื่อเจตนาเป็นอื่นไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงก็โดยสรุปแล้วเนี่ยในบุญกิริยา ชาติมีฐานะเราก็อาจจะเชื่อประชาชาติ ตามต้นให้บริสุทธิ์ติเกณฑ์รู้แจ้งโลกนี้โลกนามมีอยู่จริงๆเพราะท่านเป็นของท่านเองใช่มั้ยอันนี้เราก็ไม่ไม่ชัดเจนสําหรับเรานะก็จะเชื่อก็ได้ ก็ปกติวานปรมัญญาจิตเนี่ยเป็นจิตที่อ่าเกี่ยวข้องกับทาง 6 ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ก็คิดอย่างคนไม่แข็งระบุญก็แหมรู้สึกเรื่องแย่มากแล้วเค้าบอกว่าเค้าก็เคยตําหนิแม่แต่ไม่กล้าพูดแม่แกหาของขาขนมขายทําขนมขายแกคู่คู่แบ่งนะหามรุ่งหามค่ําเหน็ดเหนื่อยกันร้อยทําบุญ 90 มาเลี้ยงลูกโอ้โหแกก็แล้วก็ไอ้ภาคลําพังว่าขายได้ร่อยแล้วทําบุญกาฐินก็ไอ้ชั่วบางบางทีไปเชื่อบุญพระผมฟังแล้วผมก็ขําออกไปจะสร้างโบสถ์ไปรับปากเลยเป็นหมื่นเป็นแสนกันแล้วไม่ยิ่งหนักขึ้น okay, <laughs> ไม่รู้จะทํายังไงไอ้เราก็แกก็บอกแม่เราก็อยากได้นู่นนี่ตามตาเด็กแม่ไปทําบุญทั้งหมดยังมีพรวัฏนู้นอีกก็ได้เรื่องที่บอกเดี๋ยวต้องไปพรวัฏนู้นยังไม่พรเด้อหลวงพ่อนั่นตอนนี้หลวง <c oughs> จากบุญแม่ของเราแม่เรานะทําบุญทอนทรงไว้แกมาตั้งบริษัททอนทรงไว้พวกไอ้เครื่องไฟฟ้าตั้งสาบริษัทใหญ่ๆตั้ง 3 สาขา 1 เทพนะมีเจ้าหน้าที่เป็นพันน่ะวันๆเนี่ยเก็บเงินก็ได้เป็นล้านเพราะงี้ โดยพ่อผ่อนแม่นี่หรือได้ร่วมนํากับแม่ไว้เลยไม่ลืมบุญคุณแม่เนี่ยบอกเมื่อก่อนไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้แม่ทําแล้วไม่ใช่เจ้าของนะจนแล้วไม่ผ่อนสดจ่าย หลายครั้งนี้แห่งทางวัดหรอกเป๊ะมันก็เป็นเป็นกรรมอันหนึ่งนะที่สังเกตก็เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเราเองหรือคนอื่นหรือคนที่ทําอาชีพอะไรที่เป็นชาวเนี่ยมองดูเรามองกระรูปไปถึงกรรมอ๋อมันดีนะ มันจะเป็นต่างๆตามภาษาของเราที่ได้เรียนรู้ 4 นั้น 4 คือเรื่องโดยยานๆมหาจริยา ต่างๆของพระพุทธเจ้าด้วยของพระอรหันต์ด้วยผมต่างๆเป็นอุปจารสมาธิแก่ฌานกิริยาเป็นตัวรับช่วงแสดงความ ใช้สำนวนเพื่อให้เห็นความอันหนึ่งว่ามหากุศลแต่เนี่ยย้อนใน แล้วเมื่อได้ฌานแล้วได้อภิญญาแล้วนี่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ นะแล้วก็ทําอุปโภคศรสินด้วยมหากิยามนี่นี่ๆแล้วอย่างอภิญญา 6 เนี่ยปริยา 5 โลกิยญาณฤทธิ์เวลาพระอรหันต์จะแสดงฤทธิ์หรือโลกุตระ ฌานและอดีตอัญจิตบอกขอให้เกิดดินยาเวลา แล้วก็ดับก็ดับเกิดขณะเดียวแต่ว่านําพลังพิเศษมาให้แล้วเช่นจะเหาะจะเดินเดินอากาศมหา นฤเบดต่างๆที่เราเห็นได้ในตาและท่านตระหนักได้ว่าท่านทําอะไรต่างๆอยู่และมหัศจรรย์ทั้งนั้นให้มหัศจรรย์ก็รับช่วงต่ออย่างไม่รู้จบดูอย่าง ต่างๆการได้เห็นต่างถามว่าคืออะไรที่เป็นเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์ อัปปยุตตญาณและอหตมรรคนั้นก็ดับดับแล้วไม่เกิดอีกแล้วถามว่าอะไร รู้นั่นรู้นี่อย่างไม่มีข้อเกณฑ์จำกันแล้วก็ ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างว่าทําหน้าที่เอ่อเป็นญาณพิเศษต่างๆเพราะว่าไอ้ตัวอภิญญาจิตตัว คุณน่ะสมบัติๆที่บรรลุแล้ววันนี้เราก็คงจะพูดถึงมหากิย่าแต่เพียงเท่านี้นะคราว เหลือเหลือแค่ติดวงพอก็ได้คือญาณตัมมยุติใช่มั้ยทําไมท่านถึงเกิดญาณ วิปยุตt ขึ้นมาได้อย่าง ทำไมถึงมีอุเบกขาได้อ่าแล้วก็ในแง่ของสังขารมหากิยาทน่าจะมีแต่อสังขาริกปราอรหันเนี่ยให้ฐานก็น่าจะ เป็นประเด็นประสมให้ๆเราพักกัน 25 เปนาที